วันนี้ <c oughs> เป็นวันอาทิตย์ที่11มกราคมพุทธศักราช2569เป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังธรรมเป็นวันที่เป็นวันมงคลอย่างยิ่งเอกนงวันเพราะมีการกระทํา ที่เป็นมงคลก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมและการได้สนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งในพระสูตรในมงคลลสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังและกาเลนะธรรมสากัช้าเอตัมมังกลมุตตัมมัง <c oughs> แปลว่าการได้ฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสและการได้สนทนาธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคล น, นี่ก็หมายถึงความสุขความเจริญของจิตใจเพราะว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมเราก็จะได้ยินเรื่องราวต่างๆของธรรม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 จะทำให้เกิดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิความรู้ตามความความรู้ความรู้ชอบความเห็นชอบความรู้ตามหลักความเป็นจริงและห้าจะทำให้จิตใจสงบผองใสอันนี้เป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจ <c oughs> เพราะว่าจิตใจของเรานี้เราบางทีเราก็ไม่รู้จักว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครกันแน่ ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังทมเราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรากันเพราะว่าเรามองไม่เห็นตัวเราเองเพราะตัวเราเองนี้มันเป็นมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายตัวเราคือธาตุรู้หรือหรือจิตใจหรือดวงวิญญาณ <yeah. S 2> เวลาที่มาได้ร่างกาย เป็นเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ เ, ออเราก็เรียกเราว่าเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดออแต่เวลาที่ร่างกายตายไปเราอยู่ตามลำพังเราก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปออดวงวิญญาณก็ดีจิตใจก็ดีความจริงมันก็เป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งเป็นธาตุที่มีอยู่ในโลกนี้ หกธาตุด้วยกันคือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุและธาตุรู้นี่คือเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่มีเกิดไม่มีดับแต่มีการมาปฏิสัมพันกันก็ทำให้เกิดปรากฏเป็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ขึ้นมาปรากฏเป็นดวงดาวปรากฏเป็น ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นปรากฏเป็นโลกขึ้นมาของเรานี้ทำมาจากธาตุสร้างมาจากธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุหรืออวกาศธาตุา้าธาตุรู้อย่างชีวิตของพวกเรานี้ก็ทำมาจากธาตุสองอย่างด้วยกันสอห้าอย่างด้วยกันห้าธาตุด้วยกัน คือร่างกายของเราก็ทําจากธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุนมธาตุไฟแล้วก็ใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็เป็นธาตุรู้เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทําอะไรนี้เป็นธาตุรู้มาการมาร่วมตัวกันมาอยู่ร่วมกันก็อยู่แบบชั่วคราว เพราะร่างกายนี้ก็จะตั้งอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่เมื่อถึงเวลาอายุไขหมดสิ้นลงา่าทั้งสีที่มารวมตัวเป็นร่างกายก็แยกการออกจากกันไปเช่นเวลาตายเวลาคนตายถ้าที่จะออกไปก่อนเพื่อนก็คือท่าลมลมไม่เข้ามีแต่ลมออก แล้วก็พอลมออกไปแล้วธาตุที่สองที่จะตามออกจากร่างกายก็คือธาตุไฟร่างกายของคนตายก็จะเย็นไม่เหมือนกับร่างกายของคนเป็นที่ยังมีธาตุไฟแล้วตามด้วยธาตุที่สามก็คือธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะละลายจะออกมาตามทวานต่างๆหรือเหยอออกไปจนปล่อยให้ร่างกายแห้งกรอบ หนังแห้งกรอบประดูกแล้วก็ผุพังไปกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนทำมาจากดินน้ำลมไฟเวลาเรากินอาหารเข้าไปนี้เราก็เอาธาตุน้ำกับธาตุดินเข้าไปของที่เป็นของแข็งเราก็เรียกว่าธาตุดินเช่นข้าวที่เรารับประทานนี้ข้าวก็มาจากดินนะ เวลาปลูกข้าวเราก็ต้องปลูกข้าวในดินแล้วต้นข้าวก็จะดูดเอาดินออกมาให้กลายเป็นต้นข้าวให้กลายเป็นเมล็ดข้าวขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปต้มเอาไปหุงไปกินผสมด้วยธาตุน้ำเราก็ได้เราก็จะได้ธาตุน้ำธาตุดินเวลาที่เรารับประทานอาหารเราต้องเติมธาตุน้ำธาตุดินเข้าไปอยู่เรื่อย แล้วน้ําที่เราดื่มก็เป็นธาตุน้ําเช่นเดียวกันของเหลวต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นธาตุน้ำํำธาตุลมเราก็หายใจเข้าอยู่ตลอดเวลาเราเอาลมดีเข้าไปเอาลมเสียออกมาร่างกายมีเอาเอารมนี้เข้าไปทํางานเอาไปซักพอ่อหรือไปทําผสมอะไรกันให้ร่างกายนี้มีอวัยวะ ต่างๆขึ้นมาให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกของเหล่านี้ทามาจากธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟก็จะได้จากความร้อนความร้อนของดวงอาทิตย์พลังงานของดวงอาทิตย์อยตอนนี้เวลาอากาศหนาวถ้าเราอยากจะได้ความร้อนเราก็เอามาตากแดดกัน พอนั่งตาแต่สภาพธาตุไฟก็จะไหลเข้าไปในร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นออไม่ไม่เย็นจนเกินไปออนี่คือเรื่องของตัวเราชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟ อกส่วนหนึ่งที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายหรือมาติดต่อกับร่างกายก็คือธาตุรู้ที่เราเรียกว่าใจจิตใจผู้รู้ผู้คิดจิตใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราร่างกายมีแค่อาการสามสบสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแต่ธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย แต่ติดต่อกับร่างกายได้ผ่านกระแสของธาตรู้ที่เรียกว่าวิญญาณกระแสของวิญญาณธาตรู้นี้อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่อีกภพหนึ่งอยู่ในมิติหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์ส่วนร่างกายของพวกเหล่านี้อยู่ในโลกธาตุโลกกธาตุคือโลกของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟส่วนโลกธาตรู้นี้อยู่ในโลกทิพย์ แต่สามารถติดต่อกับร่างกายนี้ได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องที่อยู่ต่างสถานที่กันเครื่องหนึ่งอาจจะอยู่ในประเทศไทยอีกเครื่องหนึ่งอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแต่สามารถที่จะติดต่อกันได้สื่อสารกันได้ท่านรู้ก็ใช้กระแสะวิ ญ, ญญาณของท่านรู้นี้มาติดต่อกับร่างกาย ถ้ารู้นี้มีกระแสวิญญาณห้าเส้นด้วยกันห้าสายด้วยกันที่ส่งมาเกาะติดที่ร่างกายที่ทวารทั้งห้าคือที่ตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลึกะพย์ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>ถ้ารู้นี้ไม่สามารถดู รูปได้ด้วยตัวเองเมื่อสามารถฟังเสียงได้ตัวเองต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือถ้ารู้ก็เลยส่งกระแสรับรูบ้ที่เรียกว่าวิญญาณนี้มาเกาะที่ตาหูจมูกเิ้นกายพอตาเห็นรูปขึ้นมารูปก็จะวิ่งเข้าไปหาใจส่งไปที่ใจทันทีผ่านกระแสวิญญาณพอเสียงเข้ามาที่หูเสียงก็จะถูกส่งไปที่ ถ้ารู้ทันทีผ่านทางกระแสของวิญญาณก็เรียกว่ามีโสตะวิญญาณจักขู่วิญญาณจักขู่วิญญาณก็คือการรับภาพวิญญาณที่รับภาพก็เรียกว่าจักขู่วิญญาณวิญญาณที่รับเสียงก็เรียกว่าโสตวิญญาณเป็นต้นมีอยู่ห้า ห้าห้าวิญญาณที่จะรับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะจากร่างกายเข้าไปที่ใจใจนี้มีความอยากเหมือนเหมือนพวกติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเลยจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะมาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่ ใจไม่มีรูปเสียงกิ่นลดผดทพักษ์ให้เสกเวลานั้นจิตใจก็จะรู้สึกคอเฮี่ยวเศร้าสร้อยเงอเหงะอุจจตไม่มีความสุขใจต้องดิ้นรนคอยหารูปเสียงกิ่นลดผดทพักษ์อยู่เรื่อยก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะคอยมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ มามาใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อไปอยู่เรื่อยๆ <c oughs> จึงมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ใจนี้ไม่เลยตายไปกับร่างกาย <c oughs> พอร่างกายตายไปใจก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่แล้วก่อนที่จะไปได้รับร่างกายอันใหม่ใจก็จะ ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารูปเสียงกินลดโพตาภาชนิดต่างๆบางทีก็ทำบาปเวลาที่อยากจะได้รูปเสียงกินลดแต่ไม่สามารถหามาได้โดยความซื่อสัตย์สุดจริตก็ใช้วิธีทำบาปเช่<ม>นไป ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทัพย์ไปประพฤติผิดในการไปพูดปดไปดื่มสุรายามเมาการกระทาเหล่านี้เป็นการสะสมบาปคือโทษให้กับจิตใจที่จะทำให้จิตใจตกต่ำที่จะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเวลาที่ตายไปจิตใจก็จะต้องไปรับโทษของบาปที่ได้สะสมไว้ ก็มีอยู่สี่พพภูมิที่จะไปเกิดที่เรียกว่าอบายสี่ได้แก่ภบพบของเดลาชาน์ภพของเปรตภพของสศุลกายและภพของนรกถ้าได้ได้มีความสามารถในการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาชนิดต่างๆมาเสกแล้วมีเหลือเฟือ ก็จะเอาไปแบ่งปันไปแจกให้กับผู้ที่เขาไม่มีก็ได้ทำบุญกอได้ทำบุญบุญนี้ก็จะสะสมไว้ในดวงจิตดวงใจเหมือนกับบาป พ, พอเวลาที่ร่างกายตายไปถ้าบุญที่ได้สะสมไว้นี้มีมากกว่า บ, บาปบุญก็จะไปรับผลของบุญในสวนรรค์ราะภูมิมีหกชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพที่ เกิดจากการทำบุญทำทานอันนี้ก็จะส่งให้ดวงวิญ ญ, ญาณไปรับผลบุญผลบาปบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายบาปบุญก็จะส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพพอบุญหรือบาปที่ได้ส่งไปนั้นหมดกำลังลงดวงวิญ ญ, ญาณก็จะมารอรับร่างกายใหม่เพราะดวงวิญญาณดูปราศจากร่างกายไม่ได้ ต้องมีร่างกายคอยเล่าเลี้ยงคอยส่งรูปเสียงจิตลดมาให้เสพอยู่เรื่อยๆแล้วขาได้ร่างกายมาก็ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายต่อสู้กับทุกภัยต่างๆที่จะเกิดจากการมีร่างกายร่างกายก็จะต้องมีภัยต่างๆภัยทางธรรมชาติภัยจากบุคคลที่โหดร้ายทารุณภัยจากถึงสาราสัตว์ทั้งหลาย ภายจากโรคภัยไข้เจ็บภัยจากภาวะอดอยาขาดแคลนเป็นต้นแล้วก็ยังมีภัยที่อยู่ในตัวของร่างกายอยู่ด้วยก็คือความแก่ความเจ็บความตายการมีร่างกายนี้จึงเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแต่แต่ใจนี้ไม่รู้จากทางเลือกอื่นก็เลยใช้วิธีดับความทุกข์ความ เ้าสร้อยงวยงาความว้าเวเพราะการไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการไปมีร่างกายไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ร่างกายเสบรูปเสียงกลิ่นรสไปเรื่อยๆพอได้มีร่างกายก็ต้องมีเรื่องของภัยของร่างกายที่เกิดขึ้นทุกข์ของร่างกายก็ตามมานะ การเวียนว่ายตายเกิดก็เลยเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับการพัดพากจากบุคคลต่างๆและของต่างๆที่เรารักเราชอบแล้วต้องมาเผชิญกับบุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบนี่แหละคือเรื่องราวของพวกเรา ถ้าพวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้<ม>แล้วถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีแก้ปัญหาของพวกเรา<ม>การที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ<ม>ก็เกิดจากการที่เรามีตัณหาความอยาก<ม>สาระการด้วยกันอย่างในรูปเสียงจินลดผลทพะ ก็ทําให้เราต้องมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วเราก็อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะร่ำอยากจะรวยพอเมื่อเรารวยร่ํารวยมีเงินมีทองมีฐานะมียศฐานบันดาสักรเราก็จะได้ใช้เงินทองยศฐานบันดาสักมาให้กับการหารูปเสียงจิตรดไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วเราก็จะมีความอยากชนิดที่สามก็คืออยากไม่เสื่อมจากลาบยศสารเสิญ อยากไม่ให้นั่งกายแก่เจ็บตายความอยากทั้งสามตัวนี้แหละเป็นตัวที่พาให้เราต้องมีความทุกข์ทรมานใจเวลาที่เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมานอกจากความทุกข์ทรมานใจแล้วมันก็ยังพาให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยเราก็ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดรู้ มาพบสาเหตุของความทุกข์ของพวกเราว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าความทุกข์เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้อยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าอยากจะหยุดตีการเวียนว่ายตายเกิดหยุดความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ หยุดความอยากเสพรูปเสียงกิ่นลดหยุดความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยแล้วก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหยุดความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญสุขเป็นต้นวิธีที่จะหยุดความอยากได้นี้เราต้องมีเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือใจของเรานี้จะไม่มีกำลังที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ เหมือนกับเวลาที่ล้อเรายางแตกนี่เวลาเราจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนลอ้อถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายได้เห็นเราต้องมีแม่แรงสำหรับยกล้อให้ลอยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีที่ขันน็อตคลายน็อตให้ออกมาพอเรามีเครื่องมือมีแม่แรงยกให้ลอ้อลอยขึ้นมามีเครื่องมือขันน็อตคลายน็อตให้ออกมา เราก็เปลี่ยนยางใหม่เข้าไปแทนยางเก่าได้ล้อล้อใหม่เข้าไปแทนล้อเก่าได้ <takiej. S 1> แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางที่แตกได้ล้อที่แตกได้ฉะนันในถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะไม่สามารถที่จะมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดความอยากเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่ได้ ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระเจ้าส่งค้นพบ ก, ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองให้รักษาศีลนัาตัศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ยังมีกําลังไม่มากพอแต่ก็สามารถเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนก็ได้ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลมาเลยก็เริ่มต้นที่ศีลห้าไปก่อนลาเป็นการกระทํำบาปอย่าไปสร้างอบายให้เกิดขึ้นกับใจ อย่าไปสร้างความทุกให้กับใจเพราะใจที่มีความชุกนี้จะไม่มีกำลังที่จะไปะจะเจริญสตินั่งสมาธิ<ม>ไปจเจริญปัญญาได้<ม><ม>ต้องเป็นใจที่ปราศจากการกระทำบาปห้าข้อแรกก่อนแล้วถ้าอยากจะให้มีกาลังที่จะไปนั่งสมาธิได้ก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปดจากศีลห้าก็เพิ่มเป็นศีลแปด ขอศีลแปดนี้จะช่วยให้เรามีเวลาไปฝึกสตินั่งสมาธิได้มากขึ้นนั่นเองข้อศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดนี่เองให้เราลดให้เราหยุดชั่วคราวก่อนถึงแม้เราจะหยุดความอยากไม่ได้ก็หยุดหยุดการกระทําก่อนเพื่อจะได้ตัดทอนกําลังของความอยาก ในการเสบรูปเสียงกลิ่นลดให้เบาบางลงให้น้อยลงตัดทอนกำลังของการอยากด้วยการถือศีลแปดพอศีลแปดจะมีการห้ามไม่ให้เสบรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆเช่นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้มีการร่วมเพศกันแล้วก็ห้ามไม่ให้กินอาหารตามความอยากให้กินเหมือนกับกินยากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปวันวันหนึ่งก็พออย่าไปกินเพื่อความสุข อย่าไปกินตามความอยากถ้ากินตามความอยากก็กินวันละหลายหลายมือ้อถ้ากินเพื่อร่างกายก็กินแค่วันละมือ้อสองมื้อก็พอแต่ไม่ให้ก่อนเชี่ยววันไปแล้ว<ม>แล้วก็ไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงล้องรำทำเพลงดูละครสรสวยร่างกายด้วยเครื่องเสื้อผ้าอภารรตวิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำอางน้าหอมน้ามันอะไรต่าง อันนี้เป็นการเสบรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆเราต้องยุติการเสบเพื่อจะได้ลดกําลังของกา ม, ม า, าัญหาความอยากเสบกามให้เบาลงให้น้อยลงแล้วก็ไม่ให้นอนมากจนเกินไปนอนพอให้พักผ่อนร่างกายก็พอเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาะนะๆเตียงที่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา แต่ใจก็จะติดกับความสุขเป็นการมาสุขสุขที่ได้จากการหลับบนบนฟูกนาะหนาะก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นมามก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเราจะไม่อยากให้มันนอนต่อเราก็ต้องเลือกที่นอนที่ไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสื่อก็พ อ, อพอร่างกายได้พักผ่อนสีห้าชั่วโมงพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่ขึ้นมาใจก็อยากไม่จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย mm. ก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญสติก่อนตอนที่จะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนเราต้องเจริญสติผูกใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือผูกใจให้อยู่กับอริยบทการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิด เ, ยเลยเปื่อย ผูกไว้กับพุโทโธเมือผูกไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายเดินก็ผูกใจไว้อยู่กับการเดินร่างกายนั่งยืนก็ผูกใจให้อยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกายทุกเิลียบุตรไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตที่ใกล้ที่ไกลทั้งหลายให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าร่างกายกาลังทาอะไรกาลังกินกาลังดื่มน้ากาลัง อาบน้ํากําลังแต่งตัวกําลังกวาดบ้านถูบ้านลื่นทําอะไรให้มีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาแล้วความคิดจะเบาบางลงพ อ, อมานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบได้เป็นสมาธิขึ้นมาได้พ อ, อใจนิ่งสงบเป็นสมาธิใจจะมีพลังมีกําลังมีกําลังที่จะไปสู้กับกิเลสตัวที่สร้างความอยากต่างๆได้ ล้วพอเกิดความอยากกามตัณหาขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ากามกามที่เราที่ที่ควาต้องการจะเสพที่ตัณหาต้องการจะเสพคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้น้นนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับไปมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเราควบคุมบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เป็นของเรา เราไม่สามารถเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเวลามันเสือ่อมเวลามันหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไปเสพมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปเสพมันพอเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะเสพเป็นทุกข์เป็นเหมือนยาพิษเนี่ยเป็นเหมือนงูพิษเราก็จะไม่อยากเข้าใกล้ให้มองให้เห็นว่ารูปเสียงกีดรถนี้เป็นเหมือนยาพิษเหมือนงูพิษ ถ้าเข้าไปใกล้มันแล้วมันจะถูกมันกัดเอาถ้าเราไม่อยากจะถูกมันกัดเอาถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เวลาที่เราต้องสูญเสียรูปเสียงกิ่นรสต่างๆที่เราลักเราชอบไปเราก็อย่าไปเสพเราก็อย่าไปยุ่งกับมันอันนี้เป็นวิธีที่ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปเสพรูปเสียงกิ่นรสเพราะมันเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนงูพิษการที่เราจะหยุดไม่ไปเสพได้เราก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาจากสมาธิคืออยู่เฉยๆให้ได้ เวลาอยากก็สู้กับความอยากด้วยกันไม่อยากด้วยการอยู่เฉยๆอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ไม่ไปอยากจะไปหาเพื่อนก็ไม่ไปอยากจะไปนอนกับแฟนก็ไม่ไปตัดมันให้หมดถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาตัดไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่มีกําลังพอแต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วหยุดได้พอปัญญาสอนว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นเหมือนยุเป็นเหมือนงูพิษเป็นเหมือนยาพิษ เราก็จะไม่กล้าไปแตะเราก็จะไม่อยากจะไปแตะเราก็จะหยุดได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ได้ น, นี่แหละคือการวิธีการของการใช้ศีลสมาธิและปัญญาในการมากำจัดตัณหาทั้งสามคือการละตัณหาความความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นมีราวาตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอเราตัดความอยากทั้งสามได้หมดไปจากใจใจเราก็จะไม่มีความทุกข์เกต่อไปแล้วใจเราก็จะไม่มีตัวที่จะฉุดรากให้ดวงวิญญาณของเรานี้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นพมไม่ไปเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะความอยากที่พาให้ไปเกิดนั้นถูกกาจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้ว ใจที่ชาติปราจากความอยากเหล่านี้ก็เรียกว่านิพานนั่นเองใจก็ถึงนิพานใจก็เป็นนิพานขึ้นมาเป็นบรล ม, มัสุขขึ้นมานิบนาลังบาลมังสุขขังแล้วใจก็จะอยู่ในในบรล ม, มัสุขขังนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดต่างกับใจของผู้ที่ยังไม่ได้ไปถึงนิพานก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสามสิบเอพ็ดภพภูมิต่อไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆ บางทีก็ลงต่ำด้วยอานาจของบาปบางทีก็ขึ้นสูงด้วยอำนาจของบุญสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไปจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ถึงจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างได้รู้ว่าเราต้องมาหยุดความอยากกันและการจะหยุดความอยากนี้ได้เราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาสามชิ้นด้วยกัน ดยสร้างศีลสร้างสมาธิและสร้างปัญญาขึ้นมาศีลก็ศีลห้าศีลแปดสมาธิก็อั ป, ปนาสมาธิจิตรวมสงบนิง่งเวมีอุเบกขาขึ้นมาปัญญาก็คือต้องเห็นไตรักษ์ในการในการมคุณห้ารูปเสียงกิตลดผลสะพ้าและในสิ่งอื่นๆที่เราอยากได้เช่นรูปประจานารูปประจานก็เป็นไตรักษหเหมือนกัน เราก็ต้องตัดเหมือนกันถ้าตัดได้หมดแล้วความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจใจก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่ไปเกิดเราก็เรียกว่านิพานนิบานังประมังสุ ข, ขงังก็มีเท่านี้ง่ายๆขอให้เรามาสร้างเครื่องมือกันสามข้อนี้ท่านนึ่งพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วก็เพิ่มไปที่ศีลแปดแล้วก็ไป เบรกไม่แวกอยู่คนเดียวหาที่สงบฝึกสมาธิจเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิให้มีอุเบกขามีกําลังที่จะหยุดหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้พอใช้ปัญญาพิจารณาเวลาเกิดความอยากก็สอนว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้เป็นทุกข์เป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนงูงูพิษถ้าไปแตะแล้วเดี๋ยวจะต้องตายเดี๋ยวจะต้องทุกข์จะต้องถูกมันกัดอย่า อย่าไปแตะรูปเสียงกิ่นรดอย่าไปแตะอะไรทั้งสิ้นที่มันเป็นของไม่เที่ยงมันมถ้ามันพ่อเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องทำให้เราเสียใจในภายหลังเพราะมันจะหายไปหลือหมดไปนั่นเองอ น, นี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วถ้าหากว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราได้ฟังซ้าอีกเราก็จะมีความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับ เราจะทำให้เราหายสงสัยในธรรมต่างๆได้ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าการการดำเนินชีวิตของเราควรจะดาเนินไปในทิศทางไหนทิศทางของโลกกระทำหรือทิศทางของศีลสมาธิปัญญา เ, ออเราก็จะรู้ว่าเราต้องเดินทางไปในสายของศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยากจะไปพบกับความสุขอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง ในขณะที่เราฟังธรรมเราก็จะได้ความสงบไปด้วยเพราะใจเราสบงบระครับความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆไว้ชั่วขา่าวเพราะเสียงธรรมที่เราฟังนี้จะไม่ทําให้จิตใจเรารุ่มร้อนเสียงธรรมเสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์ที่จะก่อมให้ใจสงบได้นี่แหละคืออันนี้สงส์ด้วยความเป็นมงคลของการได้มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ซึ่งก็พอสมควรแก่เวลาก็ต้องขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ เพ่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมต่อไปไปสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างเครื่องมือคือสร้างศีลสร้างสมาธิขึ้นมาศีลตอนนี้เราก็มีกันแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆนี่แสดงว่าเรามีศีลแล้วเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดในกลางเราไม่ได้ดื่มสุร า, ายาเมาเราไม่ได้ดูหนังฟังเพลงเราไม่ได้ร้องลัมทาเพลงเราไม่ได้ร่วมหลับนอนกับใคร ขณะนี้เราถือว่าเรากําลังจเจริญศีลอยู่แล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาเจริญสมาธิคือนั่งทําใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้เมื่อใจหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วใจเราก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีอุบเบกขาปรากฏขึ้นมาใจเราก็จะมีกําลังหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปเวลาที่เราพิจารณาเห็นอะไรเป็นตายรักเวลาเราอยากได้อะไรเราก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์ ให้หมดพอ ร, รู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็ใช้อุเบกขาที่เราได้จากสมาธิมาหยุดมันได้ทันทีการเราทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยต่อไปตัานาความอยากก็จะหมดไปจากใจเราตอนนี้เรามาสร้างสมาธิกันสร้างอุเบกขากันเพื่อให้หยุดความอยากให้ได้การนั่งสมาธินี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้รู้ให้เห็นอะไรทั้งสิน้นให้จิต น, นิ่งเฉยเฉยไม่คิดปรุงแต่งให้รู้เฉยเฉยให้สักแต่ว่ารู้ ให้รู้อยู่ให้มีแต่ความว่างอย่าไปสนใจถ้าใจยังไม่ว่างใจยังมีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจเพราะสิ่งที่มาปรากฏนี้ไม่มีประโยชน์ต่ อ, อการทำสมาธิแต่เป็นอุปสรรคเมื่อเป็นท่อต่อการทำสมาธิมันจะทำให้ใจเราไม่สงบถ้าเราไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะที่เรานั่งเวลานั่งเราต้องมีอะไรผูกใจไว้เราต้องมีกรรมฐานคือพุโทโธก็ดีหรือ ด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีให้เกาะใจให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานในขณะที่เรานั่งสมาธิอย่าไปตามรู้กับเรื่องต่างๆที่มามาหลอกล่อเราจะเป็นเสียงเป็นภาพก็ดีจะเป็นอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ดีคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ดีก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปจนกว่าใจจะรวมลงสู่ความสงบพอรวมอยู่ความสงบแล้วใจก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้วางเฉยได้ บางทียังได้ยินเสียงก็ไม่ลาคาญเวลามีความเจ็บเครืปรากฏขึ้นมาก็ไม่ลาคาญสามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายอันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้จิตสงบให้นิ่งให้ว่างให้เกิดอุบเบกขาให้เกิดความสุขขึ้นมาโดยการผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอาจเป็นพุทธโธก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ เมื่องเบื้องต้นถ้ายัางดูลมไม่ได้หายใจเขาออกไม่ได้จะฟังทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้หรือส่วนมนไปก็ได้เพื่อทำให้ใจมีสติมากขึ้นให้ใจสงบมากขึ้นแล้วค่อยมาดูลมมาพุดโธต่อไปแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันมีเวลาเหลือประมาณยี่สิบสี่นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว กอนที่จะเลิกก็ขอให้สังเกตดูการนั่งว่าวันนี้นั่งแล้วสงบหรือไม่อย่างไรถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อได้จิตก็จะสงบได้เหมือนวันนี้อย่านั่งเราอยากให้มันสงบความอยากให้มันสงบจะไม่ทําให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกอย่างวันนี้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกาลังน้อย ก็ควรที่จะเจริญสติให้มากระหว่างวันก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเืิดตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้หรือผูกใจไว้กับร่างกายก็ได้คอยเฝ้าดูร่างกายในทุกปิริยาบทแล้วต่อไปเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปการปติยุจิตังปทิตังต um ุมังคิปเมวาสมิชโตสะเพปุเรนโตสังขปาจันโทปนาราโสยะถามริโชติ ภราสยทัสสะพิธิโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมเตภวตวันตรายุสุขีทีกายุโภภวะอภิวาทนาสิลิตะนิจจังวุธาปจายโนจตารุธมรมวทานติอายุวันุสุขัง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 เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสองร้อยแปดสิบเอ็ดท่าน YouTube Doc, YouTube พระสุชาติไลฟ์2องร้อยเจ็ดสิบห้า YouTube Dr V สามสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์เก้าับฮ์หนึ่งนากุติสองรอยยี่สิบสามรวมแปดร้อยยี่สิบหกท่านค่ ะ, ะถามได้เลยมีใครอยากจะถามไหม ถ้าอยากจะถามว่ายกมือเพ้่มาจะส่งไม้ไปให้ช่วยส่งไม้ไปแล้วนั้นก่อนคุณหมอเชิญเข้ามาหน่อยขอโอากาสครับถามคำถา ม, ถามเรื่องการปฏิบัติครับก็คือขนาดปฏิบัติครับกาหนดลมหายใจครับสักขนาดหนึ่งเนี่ยจะมีตัวโยกครับพอตัวโยกเนี่ยจะ กำหนดรูที่ที่ตัวยโยกหรือว่ากำหนดลูที่ลมหายใจครับอยู่ที่เดียวตลอดเวลาอยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาไม่นสนใจกับเมื่องอย่างอื่นขณะที่ทาแล้วในขณะทีะ่ตอนนั้นลมหายใจจะไม่ค่อยเป็นจังหวะครับอาจารย์ไม่เป็นไรดูตามความเป็นจริงไปไม่ต้องบังคับลม เาพ่งตาสัยลมเปนที่ยึดผูกใจไว้เถิแล้วก็ดูมันเฉยๆไม่ต้องไปสั่งให้มันหายใจสั้นหายใจยาวดูตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของหรงมครับท่านั่นเองให้ใจไม่ลอยไปลอยมากับความคิดให้ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้ใจก็จะสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาอย่าอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้ขนขณะที่นั่งสมาธิ ถูกว่าอยู่กับใจอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวครับขอบพระคุณครับคํ <Okay. S 2> าถามจากผู้รับฟังนักุฏิค่คะเมื่อนั่งสมาธิไปนานๆเกิดความเจ็บปวดร่างกายพยายามปล่อยวางร่างกายว่าไม่ใช่ของเราแต่ยังมีความเจ็บปวดอยู่แบบนี้คือต้องปฏิบัติต่อไปให้มากๆหรือมีอุบายวิธีอย่างไรหรือไม่คะ ก็พยายามอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดของร่างกายให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่ถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆบางครั้งถ้าดูลมแล้วมันทนไม่ไหวยอยากจะไปยุ่กับความเจ็บก็ให้ใช้กรรมริกรรมช่วยบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทิลมไว้ก่อนแล้วเปลี่ยนมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวอาการเจ็บก็จะไม่มาลบวนใจ เ้าใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้สงบได้ต่อไปคำถามจะพูดเราฟังนะกุติค่ะถ้ามีลูกชายปฏิบัติไม่ดีกับมารดามารดาควรทำอย่างไรคะเขาสอนเขาว่าการกระทำนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าสอนแล้วเขาไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยไปคำถามจะพูดรับฟังนะกุติยงค่ะ ป้องกันยังไงให้ปฏิบัติแล้วไม่เกิดวิวปัสณูกิเลสคะก็ต้องมีธรรมะคาสอนของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆเช่นดูหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ก็ได้หรือถ้าปฏิบัติแล้วไม่แน่ใจก็ไปสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ไปถามว่าสภาพอย่างนี้เป็นอย่างไรจะทําจะปฏิบัติกับสภาวะอย่างนี้อย่างไงต่อไปคือการปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ด้วยกันเสมอไป เพให้มีที่พึ่งมีที่ปรึกษาเหมือนกันนักศึกษาที่เรียนในมหาลัยก็มีครูปรึกษาเวลามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจก็ไปปรึกษาได้หรือถ้าเรามั่นใจมากเกินไปก็ลองไปถามดูว่าถูกต้องไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือ ย, อยังถ้าไม่ไม่ถูกต้องก็จะได้แก้ไขต่อไปได้คําถามสักทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ ก่อนนั่งสมาธิได้คิดว่ายุงกัดก็กัดไปขอทิ้งร่างกายเพื่อรัความเป็นเพื่อรัความถือตัวตนคิดแบบนี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าครับคิดแต่ยังต้องทําให้ได้คิดอย่างเดียวยังไม่พอคิดแล้วก็ต้องเฉยได้เวลายุงกัดก็ปล่อยมันกัดไปมันไม่ได้กัดเรามันกัดร่างกายร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายของร่างกาย ยุ่งกัดเราไม่ได้เพราะเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายดังั้นเราไม่เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายแต่เราไม่เดือดร้อนแทนร่างกายเพราะความอยากไม่เจ็บเท่นั้นเองเราต้องใช้สมาธิพุทโธพุทโธดึงใจไว้อย่าไปสนใจกับการเจ็บของร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ คำถามจากทาง Inbox ค่ะกลาบขอปัญญาจากพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเรายุ่งวุ่นวายกับคนในที่ทํางานเท่าที่จําเป็นตามเหตุผลอันสมควรจะช่วยให้เราสามารถเจริญสติในระหว่างวันได้มากขึ้นทําแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าเราปล่อยวางได้ก็ถูกต้องปล่อยให้เขาทําอะไรไปตามเรื่องของเขาเราพูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ก็นิ่งเฉยไปแต่อย่าไปโกรอย่าไปเสียใจ กับเขาเพราะเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจะทราบได้อย่างไรว่ามีศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนวเราต้องมีข้อสอบอมีแฟนแล้วยังมีมีแฟนมีมีคนใหม่มามาเสนอตัวดูซิว่าจะยังมั่นคงกับแฟนเก่าแล้วหรือเปล่าคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การใช้ชีวิตประจําวันมีความอยากตลอดเวลาทั้งด้านกุศลและอกุศลแต่ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างขณะที่เราเห็นความอยากที่อยู่ภายในใจณนะขณะปัจจุบันจะมีอาการแน่นแน่อึอดอัดที่หน้าที่บริเวณหน้าอกให้ฝึกหรือพิจารณาอย่างไรคะเพื่อให้การปฏิบัติตรงตามมาร์กกราบขอบพระคุณคะ่ะพิจารณาสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ปัญญาพิท มันจะทําให้เราต้องเสียใจไม่ช้าก็เร็วตอนไหนมันอาจจะให้ความสุขกับเราแต่ต่อไปพอเขาจากเราไปหรือเขาเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้เราทุกข์เสียใจได้เฉะนั้นให้มองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นเหมือนยาพิษถ้าเป็นยาพิษเราไม่กล้าเข้าไปแตะอยู่ห่างๆดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่เราจะหยุดได้ไม่ได้อยู่ที่สมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังหยุดะถึงแม้จะรู้ว่าเป็นยาพิษก็ยังอดไม่ได้ยังทนไม่ได้ ยยอมยอมกินยาพิษไปไปไปทุกขดาบหน้าวันนี้แก้ขอแก้ความทุกข์ก่อนขอความสุขก่อนชั่วคราวก่อนคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเราจะต้องปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแค่ไหนคะหลวงพ่อยังต้องนั่งสมาธิทุกๆวันหรือเปล่าครับก็ปฏิบัติไปจนไม่มีทุกข์ลงเหลืออยู่ในใจเหมือนกินยารักษาโลก ถ้าโรคยังไม่หายก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆการปฏิบัตินี้เป็นยารักษาโรคใจแต่พอไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเจอคนและเหตุการณ์ที่ทั้งพอใจและไม่พอใจจะมีวิธีในการเจริญสติอย่างไรบ้างครับก็ อยู่กับร่างกายเราอย่าไปดูร่างกายของคนอื่นเดินไปแล้วก็ดูว่าร่างกายเรากําลังเดินอยู่อย่าไปดูร่างกายคนอื่น <Core> อย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นนอกจากที่จําเป็นจริงๆเท่นั้นถ้าไม่จําเป็นก็ปล่อยก็ผ่านไปนี่คือการเจริญสติถ <โ DB. S 1> ูกใจให้เราอยู่กับอิริยาบถเคลื่อนไหวของร่างกายของเราคอยเฝ้าดูว่าเราตอนนี้เรากําลังทําอะไรกําลังเดินก็เฝ้าดูการเดินของเราอย่าให้ไปสะดุดหกล้มอย่าไปชนกับคนนั่นคนนี้ ส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปสนใจอาเชิญขอขาดค่ะสมมุติว่าถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยจิตเราว่างทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าว่างถึงขนาดเมื่อไหร่หรือประมาณไหนเราถึงจะเป็นพิจารณาเรื่องปัญญาแล้วในเรื่องของการพิจารณาปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองในขณะที่นั่งหรือว่าเราต้องนึกเรื่องมาเพื่อพิจารณาค่ะ คือการนั่งสมาธิเบื้องต้นนี้เราต้องการให้มันนิ่งนานๆไม่ต้องสนใจเรื่องปัญญาเลยฝึกฝึกฝึกจิตให้รู้ให้อยู่เฉยๆให้ได้นานๆก่อนหลายๆครั้งหลายๆหนไม่ใช่เพียงแต่ครั้งแรกครั้งเดียวนั่งสมาธินี้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องปัญญาเลยคิดแต่เรื่องความสงบอย่างเดียวรักษาวความสงบให้ได้นานเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมง เ, เอาอย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆแล้วพยายามฝึกเอาจากสมาธิมาก็ฝึกสติต่อแล้วพอ อยากจะนั่งสมาธิก็กลับเข้าไปต่อจนกระทั่งเราชำนาญการเข้าออกในสมาธิสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็พิจารณาทางปัญญาได้สอนใจว่าร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงก่อแก่เจ็บตายอ น, นิจจังเป็นดินนามลมไฟเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นอาการ32ไม่สวยไม่งามเป็นสุภาพในเกิดสิ่ ง, งเราสอนใจ พอเวลาที่เรามากังวลกับความแก่ความเจ็บทางตายเราก็จะได้รู้ว่ามันเราห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันพอเราเห็นคนที่เขาหน้าตาดีอยากจะให้ได้เขามาเป็นแฟนแล้วก็นึกถึงอสุภะนึกถึงอาการ32มสิบหรือนึกถึงซากศพของเขาพอคิดว่าเขาเป็นซากศพหรือมองเข้าไปข้างในเห็นสังเห็นอาการต่างๆเห็นอวัยวะต่างๆความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนก็หายไปอันนี่คือปัญญาต้องทํำเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิ มันการศึกษาคาว่าปัญญาคือการศึกษาหาความรู้ความรู้ทางทางธรรมก็คือตายรักอนิจจังทุกขงังอนัตตาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเลยเข้าใจไหมถ้าเราพิจารณาแล้วฟุ้งก็หยุดหยุดพิจารณาแล้วกลับเข้าไปในสมาธิพักจิตก่อนสลับกันไปสมาธินี้ทําสลับกับปัญญาพอเราคิดแล้วใจเราเริ่มฟุ้งเริ่มเครียด เ, เริ่มทุกข์กับมันกับความคิดแล้วก็หยุดคิดเสียแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิ อันนี้ยังเป็นการทํากันบ้าอยู่นะปัญญายังไม่ได้เจอของจริงเวลาเจอของจริงเวลาเจอคนสวยๆงามๆรูปหล่ออยากได้เขามาเป็นแฟนนี้ก็ต้องดูว่าปัญญาจะมาทันไหมจะเห็นเขาเป็นหนศุภะหรือไม่ถ้าเั็นเขาเป็นหนศุภะก็ถอยได้หยุดความอยากได้ในเวลาเจอโรคมะเร็งขึ้นมาก็ปัญญามาทันไหมร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันได้ไหมปล่อยมันเป็นไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ไหม อันนั้นแหละคือการทําข้อสอบแต่ก่อนจะทําข้อสอบได้แล้วต้องทําการบ้านซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักมวยต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมกับกระสอบทรายโชกกระสอบทรายโชกับคู่คูฝึกพอเราที่ยวเรามั่นใจแล้วว่าขึ้นเวทีไปสู้กับของจริงต่อไปแล้วต้องเจอของจริงเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราจะดูสิว่เราจะทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ปล่อยวางได้มีปัญญามีสมาธิก็ปล่อยวางได้ ถ้าปล่อยวางได้เราก็ไม่ทูกกับความแก่ความเจ็บความตายมีใครอยากจะถามหไหมเชิญถามได้นะมาจากที่ไหนกันวันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าแลว้วไปทำบุญมาด้วยกันที่ทำบุญมาอ่าอานนี้มีไหมควกน้งองคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะดวงตาเห็นธรรมจะมีลักษณะเช่นไรเจ้าคะเห็นตายรักนี่แหละเห็นธรรมเห็นเกิดแล้วต้องดับ เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุ ข, ขอยในโลกนี้ลาบยศสารเสริญสุขนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะมันไม่เที่ยงมันมีเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสือ่อมเวลามันเสือ่อมมันก็จะทําให้เราทุกข์นั่นคือการเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั้งปวงใครนั้งปวงก็ความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดไม่อยากจะได้อะไร พอรู้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเริ่มเป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อไม่มีความอยากใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์โดยทั้งปวงหยุดแล้วก็ไม่เมื่อไม่มีความทุกข์ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาหมดแล้วยังยังไม่มีคาถามใหม่คะ่ะมีใครอยากจะถามยังไหมเราไม่เหมืก็ใกล้เวลาที่เราจะเริมคอดี